แนะนำบทอัดุคอนบทอดุคอนเป็นบทมักกิยะมีห9าสิบองค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกียคือการให้เอกภาพสารและการฟื้นถืนจีตเพื่อความมั่นคงแก่หลักอะกิดะและให้หลักการอ ي มานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหารซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลละ จะสรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและพวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์วันนี้ได้กล่าวถึงการที่อลัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาในคืนอันจําเริญคือคืนอัลกอดัดและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจําแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น เพือประธานคำพีฉบับสุดท้ายแก่ท่านน บ, บีมุฮัมมัดสลลลฮุวนวสสลัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเจเวิตที่มีต่ออัลกุรอานนี้แล้วว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรอานทาั้งๆที่มีความกระจางแจ้งของบรรดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงบทนี้ได้กล่าวถึงฟิร์ลาและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญา้ายนู่นโดยการฝ่าฝืนและการการะทำอาชญากรรมและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสน์สวนดอกไม้สวนสาธารณะแม่น้ำลำาลาธาน และจากการรับช่วงบรดกจากวงวานอิสราเอลอีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัวและการพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการทรยศของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์นั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนชาวกุเรสและการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันเกียร์มา อีกทั้งการไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธท่านรอดซูลบทได้ชี้แจงว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติยิ่งไปกว่าชนชาติในอดีตซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืนและว่าแนวทางของอัลลอ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงการทำลายล้างกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนผู้กระทาผิดแต่อย่างไร บทนี้ได้จบลงด้วยการที่แจ้งถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าด้วยกัน ร, ระหว่างการจูงใจและการขู่การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดูคอนถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอาลัลลอฮฺทรงทําให้เป็นสัญญาณเพื่อขู่พวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันเนึ่องมาจากการปฏิเสธของพวกเขา Hey. ต่อท่านเราสุรุลล์สลดล้อหัวละวัสลัมแล้วล้อได้ส่งไอหมอกลงมาปกคลุมพวกเขาจงกระทั่งพวกเขาเกือบจะได้รับความพินาศต่อมาพระองค์ทรงให้พวกเขารอดพ้นทั้งนี้เพราะด้วยความสิริมงคลแห่งการขอพรของท่านนบีสุล <WrestleMania>. ลัลลฮุอะไลวัสลัมิมลลาด้วยพระนามของล้อผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามิขอสาบานด้วยคำพี่อันชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญแท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือน ในคืนนั้นทุกๆกิจาการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนาทูตมาโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนทูตมา เป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้รบบ م م พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมัน่น มรรบบบุไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายพระผู้อห้บาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนๆแต่ถว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัย ดา น, นั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูในวันที่ฉันฟ้าและนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจ น, นาาซึ่งจะครอบคลุมผู้คนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวดรอ บ, บคลุมผู้คนนี่อการลงโทษอั น, นมจมบปว พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธาข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไร ท, งทั้งที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้ว แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดเป็นบ้าที่เคยได้รับการเสี่ยมสอนอนกาดอิน น, าา น, น, น, นมกุนแน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้า ช่วขณะหนึ่งและพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิมวันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสม และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิร์เอาก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขาดโดยกล่าวว่าจงมอบปวงเบาของอัลลอฮ์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกทา่าน และพวกเจ้าอย่าทำตนเหนือเอาหรอแท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง